ที่ 16, วิญญาณที่ห่วงหลังในหนังสือทั้งหลายที่เกี่ยวกับโลกทิพย์โดยเฉพาะหนังสือรุ่นกน่อนๆมักจะมีกล่าวถึงวิญญาณประเภทหนึ่งที่เรียกว่าวิญญาณเป็นห่วงอยู่เสมอปลาจากภาษาอังกฤษว่า earthbound ับนิปลาตามตัวว่าวิญญาณที่ยังมีความอะไรผูกพันอยู่กับโลกมนุษย์จงกระทั่งไปไม่ได้ โดยปกติคำนี้ใช้หมายถึงวิญญาณขั้นต่ำซึ่งทำอะไรอะไรก็ยังปล่อยวางความผูกพันหรือความอะไรในโลกมนุษย์ไม่ได้และส่วนมากก็จะมาสิงสถิตยอยู่ณสถานที่เดิมในโลกมนุษย์ที่ตนยังมีห่วงผูกพันอยู่ซึ่งมักจะเป็นสถานที่ที่ตนเคยอยู่หรือเคยทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เพราะเหตุประการเดียวคือวิญญาณประเภทนี้ถ้าหากไปอยู่ที่อื่น ก็จะรู้สึกว่าตนไม่มีความสุขเลยดังนั้นจึงต้องแสวงหาสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นความสุขไปอย่างแกนแกนในที่เดิมนั่นเองที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติทั่วไปแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันในบางครั้งทางนี้ก็ได้แก่วิญญาณบางจำพวกที่สามารถจะจัดเข้าในประเภทชั้นสูงได้เหมือนกันแต่ยังมีข้อบอกพร่องบางอย่างอยู่เล็กน้อย คือไม่สามารถจะตัดห่วงและผู้ที่ตนผูกพันอยู่ในโลกมนุษย์ได้ในเวลาอันสมควรความบกพร่องของตอนเองในด้านนี้ก็เป็นผลให้ตนเองต้องมาได้รับทุกข์อยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งโดยไม่สมควรเลยเราจะกล่าวถึงวิญญาณเป็นห่วงประเภทหลังนี้เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยเพื่อเป็นทางให้ได้รับความรู้กระจ่างขึ้นบ้าง วิญญาณที่ตัดความอะไรไม่ขาดมีบางครั้งเหมือนกันที่วิญญาณของบุคคลบางคนมีห่วงอะไรและเครื่องผูกพันอยู่เบื้องหลังคือโลกมนุษย์มากเหลือเกินดังนั้นทั้งๆ ท, ที่คุณธรรมในแงอน่อื่นๆของตนเพียรพร้อมทำให้สามารถจะไปอุบัติในภูมิสูงของโลกทิพย์ได้แล้วแต่ก็ยังติดบ่วงของตนเองอย่างแน่นหนาจนไปเกิดในภูมิอื่นไม่ได้ก่อน วิญญาณประเภทนี้หลังจากที่ได้เติ่นขึ้นจากการพักฟื้นในโลกทิพยแล้วก็ยังไม่ยอมปรับตนเองให้เข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ในภูมิของตนแต่ยังอุตสาห์ค้นควายหาทางกลับมาทำงานที่ค้างไว้ต่อ บ, บ้างหรือไม่ก็กลับมาหาผู้ที่ตนรักและห่วงใ ย, ยจนได้ทั้งทั้งที่เรื่องเหล่านี้ตนเองก็เป็นอันหมดหน้าที่ไปแล้วสภาวะอันไม่น่าเป็นไปได้เช่นนี้มักจะเกิดขึ้นในเมื่อวิญญาณนั้นๆมีความรู้สึกฝังใจอยู่ว่า ตนยังทำงานไม่เสร็จเรียบร้อยและก็มีความเสียใจและโกรนกระวายจนบังคับตนเองไม่ได้บางครั้งก็ยังมีความเป็นห่วงด้วยอํานาจความหวังดีต่อบุคคลที่อยู่เบื้องหลังต้องการจะอนุเคราะห์คนเหล่านั้นให้เสร็จจนสมใจซะก่อนเมื่อวิ ญ, ญญาณเป็นผู้ติดบ่วงตนเองโดยไม่น่าเป็นไปได้เช่นนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือตนต้องถูกอานาจความอาลัยของตนเอง ชุดกระชากลากกลับมาวนเวียนอยู่ในสถานที่หรือใกล้เคียงกับที่ที่บุคคลที่ตนรักและห่วงอะไรอยู่ตลอดเวลาดังนั้นบางคราวเมื่อได้โอกาสหรือเกิดสภาวะทางจิต ท, ที่เหมาะสมกับคนบางคนในโลกมนุษย์วิญญาณ น, นั้นก็สามารถแสดงตนให้ผู้อื่นเห็นได้ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีวิ ญ, ญญาณประเภทที่ได้เคยทาความผิดบางอย่างไว้เมื่อครั้งอยู่ในโลกมนุษย์ พวกนี้เมื่อตายไปแล้วก็เกิดความรู้สึกเสียใจและเห็นโทษเห็นความผิดพลาดของตนจึงพยายามหาทางจะแก้ตัวให้ได้ด้วยประการใดประการหนึ่งอันที่จริงวิญญาณประเภทนี้ถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องจริงๆก็อาจกล่าวได้ว่ายังไม่ได้เติ่นขึ้นเห็นความจริงทั้งในด้านโลกมนุษย์และโลกทิพย์เลยทั้งนี้หมายความว่าไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดเขาจะมีสภาวะเหมือนกับคนละเมอ หรือเครื่องหลับเครื่องตื่นเป็นผู้เคลาต่อสภาวะความจริงทั้งสองด้านคือทั้งสองโลกจึงเป็นวิญญาณประเภทที่น่าสงสารอีกประเภทหนึ่งเพราะไม่มีจุดหมายปลายทางอันแน่นอนว่าจะเข้าถึงภูมิไหนกันแน่วิญญาณที่เปรียบเหมือนทารก ในกรณีที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเหล่านี้พวกเราชาวโลกมนุษย์จึงมีหน้าที่ที่ควรจะกระทําอยู่อย่างหนึ่งคือส่งกระแสจิตแนะนําหรือสั่งสอนวิญญาณที่น่าสงสารเหล่านี้ให้รู้ตัวว่าในเมื่อเขาได้ละโลกนี้ไปแล้วโลกอันเป็นที่อยู่อันสมควรแก่เขาก็คือโลกทิพย์และเขาไม่ควรที่จะมาสิงสู่หรือวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ให้เป็นที่เดือดร้อนและเป็นการหอบทุกข์ให้แก่ตนเองอีกต่อไป เพราะเขาสามารถที่จะได้รับความสุขในภูมิของเขาดียิ่งกว่าจะมาอ้อยอิงอะไรสิ่งน้นสิ่งนี้อยู่ในที่ซึ่งไม่ใช่ภูมิของตนและตนก็ทำอะไรอีกต่อไปไม่ได้แล้วเรื่องนี้ก็คงจะเป็นทํานองเดียวกันกับที่เรานิยมกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้และบอกว่าให้เขาไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดอย่ามารบกวนหรือห่วงลูกหลานเป็นต้นอีกต่อไปเลย ขอให้ท่านที่ได้ทราบถึงความเป็นจริงข้อนี้แล้วโปรดอย่าลังเลที่จะให้ความช่วยเหลือแก่วิญญาณที่น่าสงสารเหล่านี้และเมื่อท่านบังเกินมีโอกาสได้ผ่านพบประสบเข้าในที่ใดที่หนึ่งขอให้คิดว่าเป็นการส่งเคราะห์วิญญาณเหล่านั้นให้ได้ไปสวยสุขตามวิบากของเขาแม้ว่าในบางครั้งท่านอาจจะรู้สึกอาลัยและห่วงใ ย, ยวิญญาณนั้ น, น, นๆอยู่ไม่น้อยก็ตามโปรดอย่าคิดว่า เขาเป็นวิญญาณที่ท่านเคยเคารพนับถือมาแต่ก่อนและจะให้คําแนะนําเช่นนั้นไม่ได้ทั้งนี้ท่านต้องถือว่าวิญญาณที่อยู่ในสภาวะเช่นนั้นเป็นวิญญาณที่เครื่องหลับเครื่องตื่นเป็นผู้มีสติไม่สมบูรณ์ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ดังนั้นการให้คําแนะนําแก่เขาจึงเป็นเสมือนการพูดจาแนะนําสั่งสอนเด็กทารกซึ่งแกก็ยังช่วยตนเองไม่ได้เหมือนกัน นี่เป็นกฎที่พึงปฏิบัติได้ในกรณีโดยทั่วไปและส่วนมากวิญญาณในลักษณะเช่นนี้จะแสดงอาการเศร้าโศกและร้องห่มร้องไห้เหมือนกับเด็กทารกฉะนั้นซึ่งท่านก็จะต้องพูดจาหวานล้อมให้เขารู้สึกถึงเหตุผลอันควรและไม่ควรให้จงได้ถ้าท่านทำได้เช่นนี้คืออย่าใจอ่อนปล่อยตามใจวิญญาณในมิชาวิญญาณนั้นๆก็จะค่อยรู้สึกตัว แล้วเริ่มเชื่อฟังบ้างในตอนนี้เองที่จิตใจของเขาจะมีช่องว่างเปิดเผยออกให้อำนาจดึงดูดของภูมิสูงเข้าทำงานได้และวิญญาณก็จะรู้สึกถึงแรงดึงดูดนี้ซึ่งต่อไปก็จะรู้สึกตัวมากขึ้นและในที่สุดก็จะตกกระแสแห่งแรงดึงดูดนั้นและเข้าสู่ภูมิอันสมควรของตนต่อไป แต่มีบางรายที่มีความรู้สึกตัวอยู่บ้างพอสมควรแม้จะไม่ได้รับคำแนะนำจากใครเลยก็อาจจะค่อยๆรู้สึกตัวได้เองเหมือนกันในกรณีเช่นนี้เขาก็จะเข้าสู่ทางที่ถูกได้ด้วยตนเองไม่ช้าก็เร็วข้อสาคัญที่พวกเราเชาวโลกมนุษย์ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งก็คืออย่าอ้อนวอนหรือใช้อำนาจจิต่วงเหนียววิญญาณไว้ให้อยู่กับเราเป็นอันขาด การกระทำเช่นนั้นเป็นการลงโทษวิญญาณเองซึ่งจะเป็นการคล้ายๆกับว่าเราพยายามหาทางให้เด็กที่อยู่ในคันมานดาไม่ได้ออกมาสู่โลกภายนอกได้ทั้งๆ ท, ที่ถึงเวลาที่ทารกนั้นจะต้องคลอดออกมาได้แล้วฉะนั้นหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คล้ายกับการนวงเหนียวให้ตัวแก้วคงเป็นตัวแก้วต่อไปเรื่อยๆทั้งๆ ท, ท, ที่ถึงเวลาที่มันจะลายเป็นตัวผีเสื้อได้แล้วฉะนั้น เรื่องเช่นนี้เป็นการกระทาที่ฝืนธรรมชาติอย่างแท้จริงและจะไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลยจากการกระทาดังกล่าวนั้นและขอให้ทราบว่ากฎข้อนี้ก็เป็นจริงทั้งในโลกมนุษย์และโลกทิพด้วยเหมือนกันวิญญาณพวกใจบอด วิญญาณขั้นต่ำที่กล่าวถึงข้างต้นหมายถึงวิญญาณที่มีระดับความเจริญหรือความประณีตแห่งจิตใจต่ำ ม, มากคือหมายถึงวิญญาณของบุคคลที่มีสัญชตาตญาณของสัตว์เดรัจฉานครอบงำจิตใจอยู่เกือบตลอดเวลาดังนั้นลนักษณะของอารมณ์และความนึกคิดของบุคคลประเภทนี้จึงไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานเท่าใดนักแม้ว่าเขาจะซ่อนร่างอยู่ในรูปมนุษย์ก็ตามการที่วิญญาณประเภทนี้ต้องกลายเป็นประเภทพระเนจรไปนั้น มีสาเหตุแตกต่างกับวิญญาณประเภทที่กล่าวมาแล้วมากเพราะพวกนี้ต้องท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ก็เพราะนิสัยอันต่ำของตนเองคือการที่ตนเองไม่สามารถปล่อยการยึดมั่นในวัตถุหยาบไปได้เลยกระแสะความคิดที่ฝังแน่นติดอยู่กับวัตถุดังกล่าวจึงเป็นเครื่องปิดกั้นกระแสะความคิดในเบื้องสูงลงโดยสิ้นเชิงทาให้พวกนี้มีตาคือปัญญามืดบอด คือใจบอดสนิทไม่เห็นอะไรอื่นว่าเป็นความจริงไปได้นอกจากวัตถุเท่านั้นผลก็คือพวกนี้ต้องเรร่อนวนเวียนอยู่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์นี้เองไม่สามารถไปเกิดในที่อื่นได้อันที่จริงอาจจะกล่าวได้ว่าภูมิทิปขั้นต่ำอันเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณประเภทนี้มีความหมายมากเหลือเกินจนกระทั่งแม้จะได้ชื่อว่าเป็นโลกทิศก็จริง แต่ก็มีความผูกพันแนบแน่นอยู่กับโลกมนุษย์มากเสียยิ่งกว่าภูมิแห่งโลกทิพย์ด้วยกันอีกในย่าหนึ่งเราอาจกล่าวได้ว่าภูมิเช่นนี้เป็นภูมิที่อยู่ตรงกลางระหว่างโลกมนุษย์กับโลกทิพย์ก็น่าจะได้วิญญาณขั้นต่ำเหล่านี้รู้เห็นเหตุการณ์ในโลกมนุษย์ได้อย่างดีคล้ายๆกับว่า มีมาดบางๆปิดกั้นโลกของเขาไว้จากโลกมนุษย์เราเท่านั้นซึ่งทำให้วิญญาณเหล่านี้มีความกระหายและรู้สึกกระเฮียนกระหือหรือหรืออยากจะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่ร้ายในโลกมนุษย์ด้วยแทบใจจะขาดทีเดียวการปราบวิญญาณอันภาน วิญญาณขั้นต่ำเหล่านี้ชอบไปสิงสถิตยอยู่หนะที่ที่ตนเคยชอบอยู่ในโลกมนุษย์และมีความยินดีในการยั่วยุหรือโดนใจมนุษย์ผู้มีนิสัยคล้ายคลึงกับตนให้ทำการที่เลวร้ายที่พวกตนเคยชอบทำเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์มนุษย์ที่วิญญาณประเภทนี้จะโดนใจได้ดีก็มักจะเป็นตอนที่อยู่ในสภาวะที่ขาดสติด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นเวลาดื่มน้าเมา เวลาโกรธอย่างรุนแรงจนควบคุมตนเองไม่ได้เป็นต้นครั้นแล้ววิญญาณก็จะสะกดจิตมนุษย์ที่อยู่ในสภาวะเช่นนั้นให้กระทำการอันชั่วช้าเลวสามต่างๆเช่อนอาจจะเป็นการก่ออาชญากรรมหรือสิ่งบัตสีต่างๆก็ได้ในร้ายที่มีสันดานบาปหยาบช้าอย่างรุนแรงปรากฏว่าถึงกับจับออาเลือกทิพที่ตนทิ้งไปแล้วก็ดี หรือที่ผู้อื่นทิ้งแล้วก็ดีมาครอบครองไว้ใหม่อีกและต่อจากนั้นก็ใช้อำนาจจิตปล่อยพลังเข้าไปทำให้เปลือกทิพนั้นดูเหมือนว่าจะมีชีวิตขึ้นมาใหม่ในชั่วระยะหนึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าผีปีศาจร้ายที่บางครั้งมนุษย์บางคนได้ไปเห็นเข้าส่วนมากก็จะได้แก่วิญญาณสันดานบาปประเภทนี้เอง สันดานหยาบช้าของวิญญาณประเภทนี้เมื่อตอนที่เป็นมนุษย์เคยมีประมาณเพียงใดแม้เมื่อตายจากโลกมนุษย์มาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยพวกนี้ยังคงชอบแสดงกิริยาตลกขนองห ย, ยาบๆยาเหมือนเดิมนั่นเองพวกผีปีศาจที่ไปปรากฏตัวในที่ต่างๆก็ดีพวกผีที่ชอบคว้างป่าสิ่งของต่างๆในบ้านก็ดีล้วนเป็นวิญญาณประเภทต่ำช้านี้ทั้งสิน้น การขับไล่ผีพวกนี้เราสามารถกระทาได้โดยบอกให้เขารู้สึกว่าเรารู้ทันกลมารยาของเขาและส่งกระแสจิตขับไล่ให้ไปเสียให้พ้นถ้าเราทำใจให้กล้าหาญเผชิญกับพวกนี้โดยไม่กลั่นคกล้มและออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดด้วยกำลังใจอันเข้มแข็งจริงๆประกอบกับบอกให้เขารู้เสียด้วยคาพูดว่าเรารู้ใส่ก็เป็นอย่างดีเช่นนี้ก็จะทาให้พวกนี้อ่อนกาลังลง และจะสามารถทำให้วิญญาณประเภทนี้ล่าถอยกลับไปด้วยความละอายและเกรงกลัวจริงๆผีหลอกในห้องทรงวิญญาณสิ่งที่วิญญาณชั้นต่ำเหล่านี้ชอบมากมีอยู่สองอย่างหนึ่ง คือการติดต่อในห้องทรงวิญญาณซึ่งมีบรรยากาศเหมาะสมที่จะทำให้ตนแสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็นได้พวกนี้บางครั้งก็ถือโอกาสสวมรอยเอาเปลือกทิพย์ของผู้อื่นมาปลอมแปลงตัวก็เลยถือโอกาสหลอกลวงผู้อื่นให้เข้าใจผิดไปด้วยบางครั้งก็อ้างตัวว่าเป็นญาติพี่น้องของผู้ที่มาร่วมในการทรงวิญญาณบางครั้งก็อ้างว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ ซึ่งตนรู้อยู่ว่ามีผู้เคารพนับถือมากบุคคลผู้ที่เข้าร่วมในการทรงวิญญาณและได้คิดว่าเคยเห็นจอร์จวอชิงตันหรือจูเลียซีซ่าปรากฏตัวขึ้นและพูดด้วยสำเนียงแปลงไม่เข้าเรื่องเข้าราวก็ขอให้ทราบได้ว่าเป็นเรื่องทํานองนี้นั่นเองดังนั้นปรากฏการในทางวิญญาณต่างๆจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้มาก เพราะมีฉะนั้นก็อาจจะถูกหลอกลวงได้โดยง่ายอย่างไรก็ตามวิญญาณชั้นต่ำเหล่านี้ใช้เวลาในโลกทิพย์ตามปกติก็จะไม่นานนักเพราะในไม่ช้าก็จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ใหม่ในท้ำกลางสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับนิสัยของตนซึ่งเป็นเครื่องดึงดูดให้ตนเข้าไปหาคือเป็นไปตามหลักที่ว่าสิ่งที่เหมือนกัน ย่อมจะดึงดูดเข้าหากันนั่นเองที่เป็นดังนี้ก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติคือว่าเมื่อความปรารถนาและความใฝ่ฝันของเขาหมกมุ่นอยู่กับวัตถุหยาบแล้วเขาก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในภูมิทิพได้เป็นเวลานานๆ น, น, นี่กล่าวถึงโดยส่วนรวมในกรณีทั่ ว, วไปแต่บุคคลบางคนถึงแม้จะมีความเลวร้ายอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีจุดผ่องใสยอยู่บ้างเล็กน้อยเสมอและจุดนี้จะค่อยๆเจำใสขึ้นทีละน้อยทีละน้อยหรเมื่อบุคคลนั้นได้ผ่านเข้าสู่โลกทิพย์แต่ละครั้งเมื่อการล่วงไปนานๆเข้าจุดแห่งความผ่องใสนี้ก็จะค่อยๆทวีแสงเรืองขึ้นเรื่อยๆทำให้วิญญาณ น, นั้นสามารถเข้าใจความจริงต่างๆขึ้นมาได้ทีละเล็กทีละน้อยเรียกได้ว่า ถึงอย่างไรก็ยังมีความหวังเหลืออยู่เสมอแม้สำหรับผู้ที่มีระดับจิตใจที่เลวทามเพียงไรก็ตามผู้หมดหวังในการพัฒนาซึ่งเป็นบุคคลประเภทคนใจบอดสนิทแต่ก็ยังมีวิญญาณที่มีสันดาน ต, ต่ำช้าอย่างละเกินอยู่ไม่น้อยที่มีตาคือใจอันบอดสนิท ประเภทนี้จะถึงความเสื่อมโทรมถอยหลังลงไปเรื่อยๆและแม้ว่าจะได้รับความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสจากความเห็นผิดและการกระทำผิดของตนสักเพียงใดก็ไม่มีปัญญาจักสุขที่จะนำเอาความทุกข์ทรมานเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนชีวิตสำหรับสอนใจตนเองได้เลยพวกนี้จะสารวนอยู่กับการแก้ความทุกข์ของตนเองในทางที่ผิดอยู่จนไม่มีเวลาและอารมณ์ที่จะคิดถึงเรื่องอื่นๆได้เลย และเมื่อยิงแก้ปัญหาซับซ้อนทับถมขึ้นทุกทีเข้าทำนองว่ายิงแก้ยิงแน่นยิงทุกยิงโง่เมื่อเป็นเช่นนี้ในที่สุดวิญญาณประเภทนี้ก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆจนถึงจุดต่ำที่สุดแห่งการวิวัฒนาการซึ่งหมายความว่าเขาอาจจะกลายเป็นสัตว์ที่ต่าช้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้สุดลาตว่าสันดานของผู้นั้นๆจะมีลักษณะของสัตว์ชนิดใด สั่งสมอยู่อย่างเข้มข้นเหนือลักษณะอื่นๆทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการเสียเวลาและน่าเสียดายเพียงใดที่ผู้ที่ได้เสียเวลาในการพัฒนาวิญญาณของตนมาจนถึงสภาพของความเป็นคนและสามารถจะรู้ธรรมะได้แล้วกลับต้องถอยหลังโลดล่นไปสู่จุดเริ่มต้นม่อีกแล้วก็ไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลาในอนาคตอีกนานสักเท่าใดเขาจึงจะพัฒนาขึ้นมาถึงจุดนี้อีก บุคคลประเภทนี้คือผู้ที่มีความเห็นผิดอย่างยิ่งที่เรียกว่านิยตมิชาทิฐิและมีความเชื่อตนเองอย่างดื้อรัน้นไม่ยอมฟังเสียงผู้อื่นเลยลักษณะของความเชื่อตนเองและความเด็ดเดี่ยวเช่นนี้อาจดูเหมือนว่าจะเป็นลนักษณะที่น่าสรรเสริญก็จริงแต่เมื่อไม่มีคุณธรรมคือสติและปัญญาเข้าประครับประคองก็กลายเป็นสิ่งที่ให้โทษอย่างมหน เพราะความไม่รู้หลักธรรมคือความจริงของชีวิตซึ่งเป็นกฎธรรมดานิยมนี้จะนำมาเป็นเครื่องแก้ตัวเหมือนการไม่รู้กฎหมายหรือกฎของสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นไม่ได้เลยทุกระบาบที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำผิดกฎแห่งธรรมะโดยไม่รู้นี้รุนแรงกว่าการกระทำทั้งๆ ท, ท, ที่รู้มากนักเพราะผู้ทาผิดจะทาต่อไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดยั้งได้สักที ในภูมิแห่งโลกทิพย์ชั้นต่ำนี้ยังมีภูมิย่อยๆซึ่งต่ำลงไปอีกรื่อเรื่อยและมีความเลวร้ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่สามารถจะกล่าวได้ว่ามีความเลวร้ายเพียงใดจึงจะสมกับความเป็นจริงภูมิเหล่านี้เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณที่ต่ำช้าเหลือเกินจนประมาณไม่ถูกข้าพเจ้าจะไม่ขอบรรยายถึงลักษณะของภูมิเหล่านี้โดยละเอียดนอกจากว่าจะขอคัดคำบรรยายสั้นๆ ของผู้เชี่ยวชาญในด้านวิชาลึกลับที่มีชื่อเสียงมากล่าวไว้ในที่นี้สักสองท่านท่านหนึ่งเป็นบุคคลสมัยโบราณและอีกท่านหนึ่งเป็นบุคคลสมัยปัจจุบันดังต่อไปนี้ท่านผู้อยู่ในสมัยโบราณได้กล่าวว่านี่มันภูมิอะไรกันแน่ที่ข้าพเจ้าเห็นอยู่นี้ไม่มีน้ำไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่าง และก็ไม่มีพื้นฐานสำหรับรองรับเลยดูเหมือนว่ามันจะลึกจนอย่างไม่ถึงและก็มืดเหมือนกับความมืดของคืนที่มืดที่สุดโดยแท้อีกท่านหนึ่งเป็นผู้เกิดในสมัยปัจจุบันกล่าวไว้ดังนี้การเข้าไปสำรวจภูมิเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเศร้าสลดใจอย่างเหลือประมาณเพราะรอบด้านดูจะมีแต่ความหนาทึบของวัตถุที่หยาบกระด้างอย่างที่สุดซึ่งบอกไม่ถูกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าขยักขยั้งเพียงใดมันทำให้เรารู้สึกว่ากำลังเดินผ่านไปในวัตถุที่เหนียวหนืดและดำ ม, มืดไปทั่วบริเวณผู้ที่อยู่ในภูมนินี้ก็ไม่จาเป็นจะต้องบรรยายก็ได้ว่า มีสภาวะที่น่าขยักขย้งเพียงใดความหมายอันลึกซึ้งของการครบบัณฑิตและไม่คบคนผ่านดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะให้ท่านทั้งหลายระวังตัวไว้ให้จงดีในการติดต่อกับวิญญาณ คืออย่ารีอ่านไปติดต่อกับวิญญาณขั้นต่ำเข้าเป็นอันขาดเพราะวิญญาณที่ยังยึดติดอยู่ในวัตถุหยาบเช่นนั้นย่อมมีนิสัยหยาบช้าและจะทำให้เกิดทุกข์โทษกับเราได้โดยมากบุคคลผู้มีคุ้นเคยในเรื่องนี้ดีมักไม่รู้จักระมัดระวังตัวและต้องได้รับอันตรายเพราะความอยากรู้อยากเห็นและความตื่นเต้นเสมอบุคคลเหล่านั้นเป็นคนกล้าอย่างโง่งเขลา คือกล้าในสิ่งที่แม้เทวดาผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายก็ไม่ปรารถนาจะคิดทำเช่นนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้คำแนะนำไว้ว่าขอให้ท่านคิดถึงความประนีตและศิลธรรมทั้งของตนเองและของมิญญาณที่ท่านติดต่อด้วยเป็นหลักใหญ่ใจความและอย่าคิดถึงการเล่นสนุกเพื่อเป็นการโ อ, อ้อวตัวหรือเพื่อตื่นเต้นเลย หมายเหตุพุทธภาสิตในมงค ล, ลสูตรเรื่องการครบบัณฑิตและการไม่คบคนพาณ น, นั้นจึงมีความหมายในประการที่ค่อนข้างจะลี้ลับเช่นนี้ด้วยเหมือนกันคือบัณฑิตและพานย่อมหมายความรวม ท, ทั้งที่อยู่ในโลกมนุษย์และผู้ทีล่ลาจากโลกมนุษย์ไปเป็นโอปปปาติกะแล้วด้วยโอปปปาติกะคือกำเนิดประเภทหนึ่งที่โตผุดขึ้นทันที คือสันโรกเปรตเทวดาพรมเป็นต้น